ที่นี่อดีตมีไหมอนาคตมีไหมเมื่อวานนี้มีไหมก็มีอยู่แต่บัญชีก็ยังไม่มาถึงเพราะล่วงไปออกเพระล่วงไปแล้วผู้นี้มีไหมพวกนี้มีอยู่แต่ยังไม่มาถึงใครจะเป็นผู้ไปผ่านพนุ่งนี้ก็คือผู้ปัจจุบันจะไปผ่านตรงนี้ถ้าผ่านใครจะผ่านใครผ่าน อดีตมาอ่ะก็คือผู้ปัจจุบันนี่เองผ่านมาผ่านมาเมาื่อวานนี่เหตุสร้างจะมาเป็นนิทานของผู้ปัจจุบันเป็นนิทานของผู้ยังไม่มาถึงของปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงเป็นนิทานของปัจจุบันที่รมาแล้วถ้าอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ตามอาดีตก็ตามอนาคตก็ตามก็เป็นแต่ทราว่าสมมุติทัยตอนนั้นไม่ได้อยู่วงแขวนกันพัานโพดาย ไม่ได้ยันยืนยันวปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันอย่าไปยืนยันว่าปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันปัจจุบันเป็นของตนตนเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันเป็นของตนตนเป็นของปัจจุบันเอีก็อย่าไปยืนยันอย่างนั้นรู้ตามเปนจริงเลยเฉยมันจึงเป็นปัญญาอยู่ในตัวรู้อดีตอดีตามเป็นจริงของอดีตรู้อนาคตตามเนจริงของอนาคตรู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบัน ไม่ยืนยันว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสัตว์แต่สภาวาะรนะูเตอนนั้นลมก็เป็นแต่สภาวะลมเข้าลมออกผู้ ร, รู้ว่าลมเข้าลมออกก็เป็นแต่สภาวะรู้ว่าลมเข้าลมออกผู้บริกรรมพุทโธพุทโธด้วยก็เป็นแต่สภาวะบริกรรมเป็นแต่สภาวะรู้ตามเป็นสิงนั้งไม่ได้ยืนยันว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รูน้นี่ทำชั้นสูงใครเป็นผู้เยืนเดินนั่งนอน รับตื่นนึกคิดก็คือสังขารและกองทุกพระนิพพานไม่จะมายืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดด้วยเพราะเป็นธานะที่ยืนเดินนั่งนอนรับตื่นก็คือกองทุกและสังขารเราดีนี้เองเหตุฉะนั้นพระนิพพานจึงไม่ได้ตั้งอยู่ในโลกตั้งอยู่ในโลกก็มีแต่สังขารและกองทุกเท่านั้นที่บัญรดาภะโลกเหตุฉะนั้นพระนิพพานจึงไม่บัรดาภะ ท่าที่จะมาบรรยัติะโรคไม่เป็นท่ะที่จะมาบรรยัติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาอีกไม่เป็นหน้าที่จะมาบรรยัติว่าใจใจอีกพอพระรหารตายแล้วไม่เป็นหน้าที่จะมาบรรยัติใจอีกแต่บรรยัติต้องเป็นเพียงวัยใจไม่มีกิเลสใจก็พ้นจากกิเลสสาระเจ้าผู้ละท้ายก็ผ้าท่าาแล้วแต่ไม่กลับมาต้ ร้อนผ้ามันมากกลับกลับมันขับบกอีส่วนสนิมของเหล็กมันก็กลับมากัดอีกถ้าเหล็กไม่ดีถ้าเหกดีจะติดสแตนเลสมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสนิมใจก็เปียบเหมือนเหล็กสนิมก็เปียบเหมือนสนิมจะเกิดขึ้นในเหล็กจะมันหยาดใจว่าเป็นพระานมันก็ไม่รู้ใจถ้าทําถูก ก็เป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาไปพร้อมกันเป็นตัวพระพุทธพระธรรมประสงค์ในด้านฝ่ายปฏิบัติส่วนพุทธธรรมสงฆ์ในด้านจกยิดแท้วก็คือพุทธธรรมสงฆ์รสชาติของพในฝ่ายเรียกว่าพุพทธธรรมสงฆ์ผ ร, รวชมีกันอยู่ที่นั้นพุทธธรรมสงฆ์รากต้นคือสุภจรโนบ้างอุชุบ้างญายะบ้างพุทธธรรมสงฆ์ฝ่ายลายก็คือสามีเท่า น, น, นั้นเพี เย็นพอตามเพศชายพตามมานิยมมาเพศมนิยมชั้นวันลนะทำเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเกลือกบึงันกันมนิยมชั้นวันลนะใครไปเกีบกเ็เข็มเวลา่าแต่ลิ้นพิการยะทาวารีวาภูรากริโพเลนตสาครังเอวมีเอวอยู่ตัวิ่นน่งสีต่างมืัปติทิฏตังิังตุหาก็ตเมวัตจะวัตต สภีภูอสกปันโรประยะโยโรยาสีติโยวจันรปะสโยุโคตตาเตตวาโิิกาโยูอภิวาชนกีทิสิจังตาปิกานุจตารูธมาวันติโยนสุขิดเปาานไปนะ <li> งานใหญ่ๆจะโตบางค่ำบาคืนระวังเรียกเขามาละเอาไปคนหนึ่งดึงแข้งคนหนึ่งดึงขาคนหนึ่งมาหามระวังไปอย่าไปหาหมูมากคนทุกวันระวังดีกว่าไม่ระวังตามบุญตามกรรมเรียกว่าไม่ระวังระวังอยู่แต่ว่ามันมันเป็นไปเร้วกึงตามบุญตามกรรม ถ้าอันไหนก็ตามบุญตามกรรมหมดจากการระวังก็ไม่มีขับรถกับมันกันตามบุญตามกรรมเถิดตามบุญตามกรรมเถิดข้าวหอมอะไรไปทําอะไรข้าวห อ, อมันตามบุญตามกรรมเนี่ยเรียกว่าไหวยน้ําไม่เอามือกวกหรือขี่เรือแล้วก็ไม่ถ่อเนี่ยเขาตามบุญตามกรรมให้มันไปมันก็ไม่ไปหละเนี่ยไม่แก้ไม่พมันไม่ทิ้เครื่องดวนมันไปมึงมันก็ไม่ไปตามบุญตามกรรม ถ้าทำบุญตามกรรมไม่มีขอบเกียรติทศกกเขาไม่ต้องอาบนา้ำทำบุญตามกรรมมันมันก็ไม่ถูกอนะ่ะด้านรักษามีด้านปฏิบัติตก็นีเมื่อเรียงเมื่อรักษาอยู่แล้วมันยังเป็นไปอันนั้นเขามบให้ตามกรรมสักเหมือนกุญแจเนี่ยชาวโลกใช้กุญแจกันอยู่ก็ดีกว่าไม่ใช่ถึงเมื่อเวลาเขาจะรักจะแสไว้ชักเพียงในเข้าขมาแต่ก็ดีกว่าไม่ใช่ฉันในปรดี เมื่อรักการรักษามีการปฏิบัติก็ต้องมีเมื่อการรักษาไม่มีการปฏิบัติก็ไม่มีเข้าใจหน้าทีความรักษาความปฏิบัติอันเดียวกันหรือใช้พระจําเป็นละไรเมื่อภาวนาพระโต้โตอยู่แล้วไม่ค่อยมีอันตรายหรอกหรือภาวนาอันใดอันหนึ่งอยู่เสมอกันไม่ค่อยมีอันตรายสังเกตเมื่อเวลาขณะจิตมันเป็นอันตราย เพราะขรากิดเชื่อมาภาวานาถ้ามีสติแล้วพอมาเห็นมันเดือดรอนอะไรขาที่มันเดือดร้อมก็คือับมันไม่ไมีสติอย่างเดียวพระองค์หนึ่งภาวานาอยู่ในภูเขาเทวดาองค์หนึ่งมารักษาเราควาให้ท่านเห็นท่านก็บอกว่าเอออย่างมารักษาเราเถือเรามีสติอยู่หรอกเราไม่ลงสติสติจําการและทําทุกคำที่พูดและแม่นั่นได้ ทำมีอุปการะมากสองอย่างสติความระทุกได้ทรมาวิทยะความรู้ตัวเรียกว่าทำมีอุปการละมากและทำเป็นที่พึ่งของตนด้วยสติสติอยู่ในอะไรสติอยู่ในกรรมฐานของตนที่คุยพิจารณาเอด่นหนึ่งนะหนึ่งสองนะี่สิบนาทีสิบนาทีแนละ้ว เพิ่มเติมตอนนี้รู้สึกสบายดีไม่ใช่การถูกตำกลขึ้นนพอวันเทาอยู่ว่าในวัดตา่องสารมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัจการหรือแสดงความแป ร, ป, รปวนระดับไปความสุขในโลกมันไม่มีถ้ามันมีพระรหารก็ไม่มีประตูที่จะเบื่อนหน่ายสุขของคารวะก็สุขเกิดแต่ความมีทรัพสุขเกิดแต่ใจทรัพบริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นเนี้เป็นศิน ทุกเกิดแต่งานที่ปฏิจจคตโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อานิจจังเกิดขึ้นได้ไวามแปรปั้นแต่ละายได้ได้ลูกบ้วนอานิจจังได้ได้ลบกล้วนทุกขังได้ได้ลูกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีต <ๆ S 1> ทั้งอนาคตเห็นอยู่เพราะอารมณ์หายใจเขาออกด้วยเว้นไว้แต่ไม่ต้องการถ้าต้องการก็ต้องเห็นอยู่ด้วลาไหนก็เห็นอยู่เวลานั้นและก็ไม่สงสัยในเวลานั้นถ้าเราไม่สงสัยเวกทั้งปวง เราก็ไม่สงสัยใจเราทารั้งปวงถ้าเราสงสัยเราทารั้งปวงก็สงสัยใจทั้งปวงก็สงสัยธรรมทั้งปวงก็สงสัยมรรคผลในผ่านมัดแปลว่าเหตุแปลว่าพืชแปลว่ากรรมผลแปลว่าผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมส่วนจะไปทางดีทางตั่วมันขึ้นอยู่กับเหตุพืชกรรมเป็นประมาณส้างเหตุพืชกรรมลงแล้ว ผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมพอได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุของพืชของกรรมที่สร้างขึ้นแม้จะไปทางดีหรือทางชั่วก็ตามหวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นมันเป็นคํากลางหวานพืชทางชั่วก็ได้ผลทางชั่วหวานพืชทางดีก็ได้ผลทางดีคําว่าพืชเป็นคํากลางคําว่ามรรคก็เป็นคํากลางมรรคเป็นข้อปฏิบัติส่วนผลมันไหลมาเองมัน ที่นี่มั ก, กับผลไม่อยู่ห่างกันพอข้าวพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพู ด, ผ ล, ผ, ดพผลก็พูดเหตุพิจารณาผลก็พิจารณาเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม JUN ่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเ ก, ก้าเมื่อเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้ามัดกับผลก็ไม่อยู่ห่างกันพอเก้าส่วนมัด ก็แบ่งออกเป็นสองสักมรรคในทางพุทธศาสนาะท่านแบ่งออกเป็นสี่โซดาปฏิมรรคสัคขาไตมรรอนาไตยมรรคอัคตมรรคส่วนผลท่านก็แบ่งออกเป็นสี่โซดาปฏิผลสัคขาไตผลอนาไตยผลอ น, คลอนัคตผลนอกนั่นต่ากว่านั่นลงมาเป็นโลกีท่านมาค่อยยุ่งขบวนธรรมชาติและก็ไม่รับรองด้วยก็ท่านรับรองในไตโลกทาน รับรองสุปฏิปันุเป็นต้นพมจันขององค์ท่านคือพระโสดาวันผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดสินฆ่าผู้นั้นไม่ใช่สุปฏิปันุไม่ใช่ธรรมจักสุจักสุคือดวงตาไม่ใช่สมัญตะจักสุไม่ใช่จักสุรอบ้อผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดระบายผู้นั้นก็ไม่เข้าถึงพระโสดาวันเน อ, อ ผู้ใดเสียดายอยากกระตือศาสดาอื่นมาปนไปกับศาสนาพุทธอันยักษ์สตัตวเทศถือศาสดาอื่นผู้นั้นก็ยังมาถึงตจสถานกรมแท้ยังเป็นเล่าเชื่อกขาดอยู่ยังเอาเป็นที่พึ่งของตนยังไม่แน่ยังเป็นนุ่นปริวไปตามลมอยู่คนหมู่มากลากไปทั้งชั้วข้าไปเขาเขาลากไปทางนี้เขาไปกับเขาไหนเราไม่ใช่ไทยจะให้เขาลากไปยังไง เราไม่ใช่ทางไทยเนี่ยลากประทางเสวกเข้าไปเขาลากประทางนี้เข้าไปของเขาอะเอาเป็นประมาณมาได้เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์กับตัวเชื่อตัวไม่ได้คนหมู่มากลากไปทุกวันเนี่ยถ้าจะเอาคนหมู่มากเป็นประมาณหมดคนหมู่มากในโลกเนี่ยเขาบอกว่านิยมกินอุจจาระว่าอย่างนั้นใครกินอุจจาระแล้วจะเป็นคนมีปัญญาอย่างเขานิยมกันกินหมดเพื่อแผ่นดินเนี่ยพบลูกปูก็ไม่กินเนอะ ลุงปูไม่กินเขาจะนิยมกินก็ตามลุงปูไม่กินอทำคําสอนของพุทธศาสนาไม่มีที่แทงหรอกทาไมถึงมีที่แทงก็เพราะแทงเราเพราะเราทําไม่ถูกตามคําสอนของพระองค์เราก็ต้องแทงเราจะประแทงคําสอนของท่านไม่ได้พูดถูกแล้วโหวนเอกแล้วพระพุทธศาสนาเป็นโหนเอก อบายามุขทุกประเภทท่านทายไว้ว่าทิายหน่าเดียวต้องโต้งเลยนั่นถูกไหมล่ะใครไปเล่นธนาคารเรีกมีไหมธนาคารอบายามุขไม่มีนั่นนักนักนักนักนักหนัโหนเอกทายไว้ที่บรร ญ, ญัติบาปบุญคุณโทษถูกก็คือพระพุทธศาสนาเท่านั้นเหรือรอง น, นั้น สิ่งที่เป็นบาปบัญญัติว่าบุญก็มีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บัญญัติว่าเป็นประโยชน์ก็มีเพราะอะไรเพราะอัตาตาคือปไตยฝังอยู่ในหัวใจแล้วเนี่ยเพราะเห็นแต่วัตถุนิยมไม่เห็นอุดมคติชัดนด้านอุดมคติจะปฏิเสธไม่ได้เมื่อร่างกายมันกกสกปรกโสมมจะปฏิเสธทางอาบน้าไม่ได้ก็ต้องอาบน้าถ้าอย่างนั้นก็เข้าสังคมไม่ได้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 ชนะภายนอกแพ้ชาภายนอกไม่มีในทางพุทธศาสนาะชนะก็ชนะตนเองแพ้ก็แพ้อตอนเองนี่ลักเดิมเมื่อชนะตนแล้วก็ชนะผู้อื่นไปในตัวเมื่อชนะเกเรของตอนแล้วก็ชนะเกเรของท่านผู้อื่นไปในตัวนะพระพุทธศาสนาะเป็นพระพุทธศาสนาะที่ตั้งหน้าตั้งตาทําลายความหลงของตนความหลงเราเป็นแม่ทับใหญ่ เวชาตัญหาอุปทานก็เป็นเมืองขึ้นของความหลงเวชาก็คือความหลงตันหาก็คือความหลงนั่นเองก็เป็นเมืองขึ้นของความหลงนอกจากกิเลสไม่มีอะไรจะเป็นเมืองขึ้นของกิเลสนอกจากพระเนพานไม่มีอะไรจะเป็นเมืองขึ้นของพระยพานแต่พระเนพามดนเป็นบ้าเป็นเมืองดีคุณดี ทั่วคูณทั่วบวกดีคูณดีคูณอยู่ที่ใจไม่ได้คูณที่อื่นไม่ได้บวกที่อื่นถ้าลบก็ลบออกจากใจทั่วคูณก็คูณขึณ้นที่ใจทางดีก็เหมือนกันทางทั่วความงานกันทำแปดหมื่นทีก็ทำมขันนั่นลงมาถึงเอกในบาทคือใจมโนพุทธฟังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมิยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ในใจเป็นหัวหน้าใจเป็น หนทางเพื่อผนทุกเนวะตาสงสารเสียงสมาธิปั ญ, ญารวมลงตีใจเราไม่ประพฤติตามใจทั้งหมดเรามีสติมีปัญญาควบคุมใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่เอามานึกมาคิดไม่ใช่ว่ามันพานึกประทางไหนเราก็จะไปตามมันเราไม่ไปเรารู่เท่ามันปุริสาธรรมสารทีฝึกใจดีแล้วมันก็ฝึกกายวาจาไปในตัว ตอนเป็นเมืองขึ้นของใจเพราะใจเป็นผู้บงการศีลไม่มีตัวเดียวคือใจสมาธิตั้งมั่นลงในใจปัญญารอบรู้ลงในใจตกลงศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจไม่รวมอยู่ที่กระดาษภายนอกบาปไปเขียนไว้ในตัวหนังสือหรือเพียไว้ตวบอสตาปอสกุ บาปมันด้อยู่ในที่นั้นบุญก็ไม่อยู่ที่นั้นอยู่ที่ใจของมนุษย์อยู่แต่ละท่านแต่ละคนถ้าใจไปหลกกลมลงมาหาใจถ้าว่าเป็นสามก็กายว า, าจาถ้าว่าเป็นสองก็กายกับใจถ้าว่าเป็นสี่ก็ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่ทุกสมุทัทยในอดพักทุกเป็นผลของสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิด นิโรธเป็นผลของมรรคเป็นเหตุได้ถึงนิโรธพิจาณาทุกเป็นอารมณ์อยู่เพ่องา ร, รมณ์ให้แเขาออกสมุทัยและตัณหาก็เบาบางไปในตูวมรรคก็เจริญไปในตูวนิโรธก็ทําให้แก้งไปในตูวไม่ใช่ว่าจเจริญทุกแล้วก็จเจริญสมุทยัยแล้วก็จเจริญมรรคแล้วก็จเจริญ น, นิโรธอย่างนั้นมันเป็นเรียงแบบไม่ถูกอะ น, นะ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 เห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกในอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยถ้าสงสัยอยู่ก็เอยากว่าไม่ชัดในปัจจุบันเรื่กว่าเห็นตามสัญญาไม่เป็นปั จ, จขาสิทธิไม่ชัดไม่เป็นกินตามยัญญปัญญาไม่ใช่ภาวนาเมยปัญญาไม่ใช่สุตตามยปัญญาสุตตามยปัญญากินตามยปัญญาภาวนาเมยปัญญารวมคนกันอยู่ในปัจจุบันเป็นกองทัพธรรมไม่ได้แยกกันเลย เศนสมาธิปัญญาก็ไป่ต้องแยกรวมพลกันเลยเป็นเชือกสามเกลียวแปดหมืน 4, รรม่นสีน 8, 14, พรรน่พระธรรมะขันธ์ก็ เ, เป็นแปดหมืนสี่พันพระธรรมะขันธ์เกลียวเอาถ้่ารวมลงเป็นหนึ่งนับถ้าไม่ลงหนึ่งก็ไม่ลงสองเหมือนกันก็ไม่ลงสามลงสี่ลงห้าเหมือนกันเราจะนับออกไปตั้งล้านตั้งแสนตั้งหมื่นตั้งเท่าใดล้านก็ตามก็นับ อ, ออกไปจากลักหน่วยถ้าย่นลงมาก็ลงย่นลงมาหาลักหน่วย เชือกที่ขึงยาวเหยียบไปทั่วใจโลกธาตุก็ออกไปจากหลักเดิมของมันเราจะพูดมากจนถึงวันตายก็ออกไปจากหนึ่งเราจะย่นลงมาขย่นมาห้าหนึ่งชาปะกิจย่นลงมาห้าเอกรกิจชัพะธรรมย่นลงมาห้าเอกระธรรมชาปะศีนย่นลงมาห้าเอกระศีนชาพะตาสมาธิย่นลงมาหาเอกสมาธิชาพะปัญญาย่นลงมาหาเอกรปัญญาในปัจจุบันทันตาที่เพ่งอยู่นั่นเองเราพี่ฮะ ดินดินจึงจะมีเราพิจารณานา้ำน้ำจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณ า, นามลมลมจึงจะมีไม่ถูกอนะมันมีอยู่ก่อนแล้วในปัจจุบันแล้วถ้ามันมีไม่มีอยู่ก่อนมันก็ไม่มีประตูจะเห็นสิ่งของต่างๆมันมีอยู่ก่อนที่เรารู้แล้วพูดรู้ไปรู้ล้างฉากเฉยๆหรอก เหตุนั้นท่านจึงยันว่าผู้ลู่ไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่ผู้ลู่ฟาดผู้ลู่ไปกันไม่มีที่หมายถ้าหมายอยู่มันก็เป็นนิมิตศุนยตานิมตอนิมิตตานิมตอปนิิตาิมิตอปนิิตานิมตนยตาวิมกอานิมิตตาวิมกอปนิิตาวิมกว่างจนไม่มีที่หมายไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลบางท่านมาถามว่าผมทาไมจึงสู้เวทนาไม่ได้ ผมจะข้ามวิเวทนาด้วยวิธีไหนบางท่านพูดอ่ะนะเออข้าสําคัญว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเราก็ข้ามไม่ได้เท่าไราสําคัญว่าทุกขเวทนาเป็นเราเราเป็นทุกขเวทนามันก็ข้ามไม่ได้เพราะข้ามเวทนาต้องเอาปัญญาข้ามเอาสมาธิข้ามเวลามันลงปรวมอยู่มันก็ไม่ปวดแคบปวดขาเมืมเวลามันกบะโดดคืนมันก็กระโดดคืนอีกเหมือนกันมันสู้มันไม่ไหว เพียงสมาธิสูงเป็นไหวเนอ น, นิโรธสมาบัติก็เข้าไปเกือบันทน่านสะท้อนออกมาเพราะอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังนั่งออกมาก็หิวจะตายกันเห็นไหมนี่นิโรธสมาบัติก็เป็นก็เป็นสังขารเพราะเกิดดับเป็นส่วนจิตใจท่านพวกเข้าในนิโรธสมาบัติพระหันไม่ใช่สังขารอ่ะนะเพราะท่านอยู่เหนือไปแล้วถ้าไม่ติดอยู่ในนิโรธเหตุใช้นั้นเขาไปถามนางธรรมชิ น, นาบอกว่าเวลาอยู่ในนิโรธเป็นยังไง เวลาอยู่ในนิโรธไม่สําคัญตัวว่าอยู่ในนิโรธและก็ไม่สําคัญตัวว่าอยู่นอกนิโรธเวลาถอยออกมาก็ออกมาหาจิตตาสังขารแล้วก็วิจีสังขารไกลสังขารลมให้แกเข้ออกเวลาเข้าก็เข้า อ, อันนั้นเกิดขึ้นแด้เป็นปนและแตกสลายขณะพระบรมศ า, ส, าสดาจึงเข้านิโรธสมาบัติก่อนก็อนเพราะธรรมเนียมขององค์ท่านถึงแม้ท่านจะเข้าหรือไม่เข้าออก็าตามท่านจะล่มตึงตายลงท่านก็ไม่มีกิเลสไงเพราะท่านขาดไปแล้วไม่ใช่ว่ากิเลส เวลาพลาาระรหันเข้าสมาธิกิเลสจึงจะไม่มีอย่างนั้นไม่ใช่อั น, นั้นเพราะมันขาดไปแล้วอันนั้นรักษาธรรมเนียมไว้เฉยๆศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวคําสอนวัตถศาสตรศาสนาสอนมากก็สอนคําเดียวเท่านั้นย่นลงมาหาเอกนัยบาปมากก็มากออกไปจากใจย่นลงมาก็ย่นลงมาหาใจน้อยก็น้อยออกจากใจนั่น แค่นั้นจึ ง, งยันมันมนุษพังเป็นหลักเดิมเป็นมูลเดิมสภาวโลกท้าปวงรวมลง ม, มาในสังขารโลกเกิดขึ้นแล้แปรปรวและแตกสลายโรกที่มีใจ่ครองและไม่มีใจ่ครองโลกที่มีใจครอ ง, รอ ง, รองเรียกว่าลูกประโลภโรคที่ไม่มีแก่ครองเรียกว่าอรูปประโลภโอ้เดี๋ยวโลกที่เป็นอารมูปเรียกว่าอารูปประโลภ ลูกที่เป็นนามเรียกว่านามะโลกนามะโลกก็ว่านามะธาตุก็ว่านามะขันก็ว่านามะธรรมก็ว่าลูกขันนามขันลูกกว่าโรกเน่าลูกว่าโลกลูปปลกลปปลกวาธาตุเกิดขึ้นได้แปลว่านั่นแหละแต่สลายไปเหมือนกันะทั้งลูกแค่นามด้วยบนันจุอยู่ในโลกนี่ก็มีแต่สิ่งที่เกิดดับเท่านั้นแหะสิ่งที่เกิดดับก็คืออะไรก็คือสังขารเราดีๆนี่เองสังขารที่มีใจครองและสังขารที่มันมีใจพอเต็มนัเกเยียดอยู่ในโรค เมื่อสังขารมีหนาที่เกิดขึ้นแล้วแปปรวนแตกสายอย่างนี้ลูกไม้ของสังขารลูกไม้ของโลกมันจะไปรับไปรี่อยู่ที่ไหนพอเราจะอ่านไม่ออกเมื่อเราอ่านออกแล้วเราก็ไม่สงสัยโลกท่าปวงเลยว่าจะเป็นอื่นนอกจากทุกตักเศษเพลงเลยไม่ต้องมีอีริาไม่ต้องมีอุทธร สังขารโลกคือสังขารสัตว์โลกโคือมูสสัตว์โอกาสโลกโลคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักกรมาพิชรักหชั้นภูมโลกได้แก่โลกภมงกชัอรมประกอสีชั้นรวมลงมาในสังขารโลกสังขารนาปนมาทุขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันิี้จังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกขังเป็นทุกอย่างยิ่งอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันนั่นเมื่อใดเห็นสังขารน่าไม่เทียมเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั นั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นแหละทางแห่งศีลและสมาธิและปัญญาวิสุทธิกลมเกื่นกันอยู่ไม่ใช่ศีลว่ะศีลจะตั้งอยู่เท่หนึ่งสมาธิจะตั้งอยู่เท่หนึ่งปัญญาจะตั้งอยู่เท่หนึ่งไม่ใช่มันรกรมเกลืนกันอยู่ค่ายกับหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือหน้าับตาเคยเห็นหน้ากันอยู่แต่ก็เห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันเขาพูดอักขันเนาะ เมื่อพาเรบถึงพุทธโธก็เกี่ยวโยงถึงธรรมโอเพลงเลยสังโฆก็เพีงเลยนะเมื่อตะปั้นตีดินในประเทศไทยก็ถูกทั้งประเทศประเทศอเมริกาและรัสเซียด้วยเพรเป็นของแข็งมีน้ําขั้นอยู่ก็ตามแต่ว่าใต้น้ํามันก็มีดินอยู่เงนะเมื่อไม่เอาปัจจุบันเป็นพยานใั้นจะชิ้นความสงสัยของตนได้เห็นอนนี้จังขณะดคิดเดียวเห็นรอบโลกแล้ว โลกแต่มไปด้วยอันนี้จังเห็นพร่อมกับลมหายใจเข้าออกเห็นพร่อมกับขน า, านกิจที่พูดที่นึกที่คิดอันนี้จังอันนี้จังอละเอียดละผู้รู้นี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วที่สุดจิตก็เหมือนกันติดต่อกันอยู่หาระหว่างไม่ได้ใครว่าคิดไม่เกิดไม่ดับผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินั่งเห็นฉะนั้นท่านจึงบัญญัตว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานไม่บัญญัติว่าจิตเป็นพรนิพพานไม่บัญญัตว่าพระนิพพานเป็นจิต น, น, น, น, นั่ง จิตถ้าทำถูกก็เป็นหนทางเขา้าสู่พระ涅槃ฐานนั้นยืนยันแต่เพียงว่าจิตก็ลดพ้นจากเกลเตอาทะนั่งยืนยันฐานั้นนี่พระรหันไม่ตายส่วนพระรหันตายแล้วบัญญัติจิตไม่ถูกเพราะไม่สนทานอะค้ายกับแก่จะตายแล้วจะมาเรียกคุณหนูอยู่มันก็ไม่เหมาะสมกะสิบวิากิตตัง จิตแต่ฐานะยังลงสูงสังขารแล้วอเพราะอยู่เหนือจิตอยู่เหนือทั้งขาแล้วไม่สำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตก็ไม่ลำบากในจิตไม่สังขารว่าไม่สำคัญว่าทุกเป็นตนตนเป็นทุกก็ไม่ลำบากในทุกสิ่งไหนถ้ามีตนเข้าไปสอดสอดแครกสิ่งนั้นก็มีเรื่องมากมีเรื่องมากเรื่องไม่มากสิ่งไห น, น ถ้าเข้าไปสําคัญสอดแทรกว่าตัวกูของกูก็ต้องตามไปด้วยงเมื่อของกูตามไปด้วยที่นี่ของมึงก็ตามมาด้วยแล้วก็เกิดทะละกันหนักถูกไหมแต่ตัวสติที่อริยะสติถ้ามันเกิดขึ้นทีเดียวมันก็สำเร็จกิจหมดแล้วถูกอริยะสตินิพานมันเรียบร้อยไปหมดแล้วถูกพระอรหันต์เป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ใครโจทย์ท่านด้วยอบัติเรียกสติวินัย สติในใจเราก็ท่าในมาเท่าสติพระรหัน์สติพรลหันเป็นมียนั้นพยศทธอยู่ด้วยความเคยชินไม่ต้องลำบากรักษาสติแต่ก็สอนให้รักษาสติเหมือนกันเช่นอัชิกรบางอย่างก็บอกว่าสติไว้ในะพรรหา์ทํำผิดไม่มีทหารไม่ได้ทําผิดเพราะไม่มีเกียรตินาทหารลืมสติไหมลืมเป็นบางครั้งบางคราว ฉัลืมเก็บเพศสัตว์ไปเกียรวันเป็นต้นหรือลืมอธิษฐานเป็นต้นหรือปฏิจจากรกิจวันเป็นต้นแต่ น, น, นานที่สุดแต่ไม่มีเจตนาในองค์ท่านเจตน า, า, น า, าไม่มีในพระสารีบุตรสุดฮะเจตนาบริสุทธิ์คิดบริสุทธิ์เลยไม่จาเป็นจะรักษาขิตเอกสติส่วนนี้เป็นมันสติส่วนโลก ไม่ใช่สติโลกุปต่ละสติเอลามีนาที่รู้แจ้งอริยสต ร, รีนิพานเจ้านั้นถูกทาลายขัตอุปาทานขันหาเจานั่นถูกพระ อ, อุปาทานขันไม่มีแล้วมันก็หมดปัญหาที่<ส>ะจะพูดอั น, นี้มันเศษเศษมันเศษมันถึงไอ้เลืองตะโตส ต, ต, ต, ติกินน้ําแข็งน้ําชาก็เป็นเศษมันเศษมันจะมาหาพระอรหนต์ในสกุลร่างกายมันไม่เจอมันไม่เจอทำไยพก จะมาหาพระอรหันต์ในขั้นห้ามันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบจะมาหาพระอรหันต์ในบุคคลมันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบหลวงปู่เวทมันว่าระเบิวเวดขันห้าทั้งกมันว่านี่แหละเขาเวระเบิดยังไงกันเน้ะระเบิดก็คือทําลายลงสู่อนัตตาระเบิดก็คือทําลายลงสู่อนัตตารูปังอนัตานตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตา สร้งางคาราอนัตตาวิญนยาณังอนัตตาสบเบสร้งางคาราอนิจจาสบเบธรรมาอนัตตาติพระบรมศาสดรามีชีวิตอยู่ได้ทรงเทศขั้นห้ามากกว่าเพื่อนธรรมานูโซภะกวาเอวังวังรังสาวะเจวินิติเอวังภาาชมนัตตาภะกวัตูสาวะเจสุอนุชาสนีบาหะุะบ่าระประวัตติ ตติดตาติดตาติดแท้ๆมันเกิดไวไม่ทันรู้ตัวหรอกถูกแป๊บจริงกับไฟฟ้าถูกอืมมันพิเดียวมันก็ทำลายโมหะหมดแล้วมากน้อยสติมันไม่ทันรู้ตัวเขามันเกิดมันเกิดผลเดียวเลยตับไปเลยสติจัมการที่ทําและคำที่พูดแล้วไม่ใ้นานได้ทําเป็นโรกรบาทํามิโยปากามากสองอย่างสติความระลึกได้ สำคัญชนะความรู้ตัวเมื่อเราเลิกได้ตอนไหนความรู้ตัวตอนนั้นมันก็มีอยู่ในตัวไม่ได้ต้องแต่งมันก็ตัวนี้มันเป็นมรรคแท้มันเกิดไม่ชนะรู้ตัวถูกมันแวบเดียวมันไม่ถึงมีนาทีถูกมรรคกิจมันไม่มีถามต่อไปแล้วแป๊บเดียเหมือนกับมือจะไปจี้ไฟมันร้อนเลยโอ้ร้อยเปอรเซ็นไอ้กติที่ว่าเดินเหินข้างนอกนี้มันเอาไว้ใช้ในโลกเท่านั้นเองทูกถ้าไม่มีทุก ก็ไม่ต้องปฏิบัติออกจากทุกมันมีทุกยังปฏิบัติออกจากทุกเรานี้ทุกหรือให้ทุกหนีจากเราเรารู้เท่าทุกทุกก็ห น, นีเองถ้าเราไม่รู้เท่าทุกทุกก็ไม่หนีเราลืมตาเข้าเราเมืดออกไปเองไม่ต้องให้เหงืออาเมื่อแต่ประสาตตาไม่มีหรือในที่มือมาท่านพูดบอกว่า และอันนั้นละอันนี้ก็ถูกอยู่เพื่อแสดงเป็นบุคลาธิฐานเป็นจิตญาอันจะแท้เมื่อมันรู้เท่าอันไหนมันละเองมันถ้าอริยะสติมันยังไม่ได้เกิดมันไม่รักหรอกครับถูกมันก็ได้แต่ปากว่านั่นน่ะทำอะไรนิดๆหน่อยๆมันไม่จะสมบูรณ์อะไรมันไม่รู้เท่ามันแังโลกมันไม่ขาดถูกสังโลกเครื่องผูกไกสักรยาทิถีวิธีจะน้อยมันขาดไปทุสามอันก็เอาละสามอัน ถ้ามัขาดสามอันแล้วอันอื่นค่อยขาดไปเองเหมือนกับงูจัดหัวล่ะถูกไม่ได้หรอกถูกถ้าขาดสามอันอันอื่นขาดไปเองภาษาไอ้ขาดสามอันแล้วพวกโทสมูสังโกลนิพานไม่มีสงสัยถูกถูกฟัออกถูกน้อยเปิดเสียงล้านเปิดเสียงเลยแต่มันยากเพราะไอ้คนที่สร้างบารมีมามันมีน้อยไปทุกทีทุกทีแต่ว่า เมื่อเห็นว no ่าสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์สิ <vale ่งนั้นไม่ต้องได้พยายามรับทิ้งมันทิ้งเองตูเลยเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เหมือนน้ำลายถ้ามันเห็นชัดว่าไม่เป็นประโยชน์มันก็บวนทิ้งมันก็ไม่เสียดายเอาคืนมาอีกด้วยปัญหาก็ไม่มีในน้ำลายนั้นระวังค่าเน้อจะเอาน้ำลายมากินอีกมันก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ไดระวังเราว่าจะเอาว้น้ำลายมาอีกเพราะเราเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ใครๆก็เหมือนกันทุกท่าน ถ้าเห็นอันนี้ไม่เป็นประโยชน์ชัดมันก็ทิ้งตูมเลยที่ ม, มันทิ้งไม่ได้เพราะเพราะมันเห็นว่ามันมียังมีประโยชน์ยังมมันยังมีมิจฉาธิฏฐิในตอนนั้นอยู่สัตที่มันไม่มีบุญพรมันเข้ามาถึงพุทธธรรมไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้เพรอย่างนี้กับที่อริยสติก็เทิกันไม่อยู่แล้วมันสาคัญที่มากู้รู้ใจเอาเทิดมาก่อนที่เทิอริยสติสีหลังถูกมันต้องมาทางนี้ถูกถึงจะมาพบขณะจังถูกแต่มันมองไม่เห็นไอ้คนอ่ะพลกดเหมือนกันพาดเหมือนกัน เพตัวสําคัญที่สุดคิอตัวตัวมกกรรคอะถูกถ้าจเจริญอริยสติรวมมากคได้มันมันถึงจะรู้เรื่องกันได้มันไม่จะไปว่ากันย่เยาว์เงี้ยเหตุของสติผลของสติมันทำอายุยตัวเหตุของผู้รูุ้ผลของปุรุอยู่ในตัวเหตุของสติผลของสติเหตุของรูตัวผลของรูตัว มันเหตุกับผลมันเชื่อมกันโยงอยู่ในตัวแล้วที่นี่พระเรานี่กับสามแสนก็อ่านมาแล้วปัจจัยมิกท่านก็บอกโ้มๆแต่เจอเริ่มรรคเลยทีเดียวก็ไม่เอาเจอรื่สติไปทีเดียวก็ไม่เอาไปเรื่องอะไรก็ไม่รูกถูกมันไม่เข้าใจกรรมกรรมเรียกกรรมบางตากรรมโมเนาวะเจเดกุลกรรมโมกรรมโบมแ้แหมทางเทศน์อาจารย์สงใจเลยค่าไฟค่าน้ำค่าไฟผมนะเราขออัจฉรสมัยท่านห้าพันห้พัน ของหลวงพ่อตวายหลวงปู่ห0 0พันนะแม้ไม่ได้ฟังเทศขนาดถึงเ พ, พื่อผู้ใจม <laughs> ันหาคนเทศยากคนต้องปีนภูเขาขึ้นมาก็โวหารโวหารก็บอกตรงๆอยู่แล้วก็หายหานลงถูกไหมใช่ วอหอนก็ให้หวานลงใช่ฐานม่หมดไปเลยหนึ่งหนึ่งศูนแสนไม่ต้องพูดกันแหละอ่ะสังข้าโห <c oughs> ไม่มีแกพราบรมศาสตร์ศร้าสอนให้สังข้าโหใชอะสังข้าโ ห, าหก็อย่าสงสัยะเชืชอกเส้นเดียวจะถึงยาวหยัดออกก็อย่าสงสัยก่งเข้ามาก็อย่าสงสัยถูกไหมผมทำอะไรฟังแท้จับองค์ากบใจมานานเนี่ยจนทีแล้วแ <c oughs> ม่ไปจะได้มาตัวปิ้งเขาหรือเปลา ค uh um ุ้มค่าเปลี่ยนเขาไหมล่ะคุ้มค่านะครับเออมีแต่คนพูดกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อเพราะเหตุไดจึงไม่รู้เรื่องเพเขาไม่ได้ปฏิบัติพ่อบวชมาไม่ได้ว่องว่าหมังเพื่อจะพ้นทุกข์ถทำยังไงกูจึงจะมีลาทำยังไงกูจึงจะมีรถยศทำยังไงกูจึงจะมีชื่อเสียงคือครูบาอาจารย์นี่มันมุ่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นสิถูกไหม นั่นถึงมานดีใหญ่ๆโตๆทุกวันนี้อยู่เหมือนกันไปไม่รอดไปไม่รอดถ้าเพื่อหวังพ้นทุกข์นะปัจจุบันนชาติปัจจุบันนจิตปัจจุบันในธรรปัญหามันจะมีมาจากตัวไหนถูกไหมที่นี้บุญไม่พอมันไปไม่รอดไปไม่รอดอาจารย์ผมที่กับขอบพระเดชพระคุณดีให้บรรดา ถ้าทำอีไปหามขึ้นมาไม่งั้นไม่ได้ฟังเทศ น, น์อะไรจันผมผมแรกผมจะกลับแล้วผมผมนึกว่าจะลงไปขึ้น <c oughs> ผมนึกว่าจะลงไปอยู่ <c oughs> ผมนึกว่าจะลงไป <c oughs> เขาจึงบอกให้เขาจึงรับรองไปหามมาโอ้เขาทราบทาผมไม่จะลงไปเขาก็านึกว่าจะไม่ไปหามเ่อาจารย์เจออาจารย์มั่นตอนไหนโอ้สองพันสี่ร้อแปดสิบเก้า้าสิบก้าท่เดสองตะกอนเนาะตกอนเมื่อพูดกระหมูก็พูดมาก เมื่ออยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ต้องเอามากหรอกต้องการเอามากก็ไม่สงสัยในมากเมื่อน้อยก็ไม่สงสัยในน้อยจะขยายออกก็ไม่สงสัยจะหดเข้ามาก็ไม่สงสัยก็เชื่อเส้นเดียวนั่นเองทีนี้ครูบาอาจารย์แจ่หนังสือแล้วชอบดูเราชอบดู อ, บดอยู่พเพื่ออะไรดูทําไมเราสงสัยในะพราะเขาทำสงสงุสงเราไม่สงสัยเราเป็นแต่เพียงว่าครูบาอาจารย์ท่านจะแตกสารในธรรมะขนาดไหนเท่า น, นั้นไม่ได้สงสัย เช่หนังสือพรรมศาติกราที่ขั้นเทพแต่ละคัมภีเหมือนกันพระไตรปรฎสีที่ห้าเล่มผมไม่ได้สงสัยสักเล่มเลยแต่ว่าเล่มไหนท่านอธิบายละเอียดก็นึกว่าแต่ละเล่มแต่ละเล่มมันโยงถึงกันหมดเนี่ยเช่นธรรม จ, จักรกัปตันสูตรขั้นเทพปฐมลงมเทศนาปฐมขั้นเทศนะมันก็ครบไปพระตไตรปิฎกมาแล้วถูกไหมอือคือถูกเดี๋ยวนี้ที่า เ, า, าเบียึดตำนานอืมไม่ว่าไทายไม่ว่าฝรั่ง ก็คือแต่พุทธศาสนาคือได้อริยสัจสี่อาสรุปทำ า, มาไม่สำเร็จแล้วอ่ะคุณธเจ้าสักัดเทพงกงๆนี่ครับถูกขึ้นต้นทันเทศอริยมรรคก่อนถูกมัชฌิมปัฏฐาน ก, ก่อนถึงธรรมที่ปัญญาทุก่อนแล้วถึงจะแสดงอริยสัจสี่ <c oughs> ไม่มีใครสงสัยว่าทำไมมันเป็นยางไง <c oughs> ผมไปพักราอยู่อริเยดตังเกือบสี่ห้ปี มันนึกรู้อ๋อมันอย่างนี้เองมันจริงจริมันแฉวบที่สุดใช่ไหมว่าถ้าจะมาตรงนี้มันต้องมาบนทางที่ถูกถ้าไม่มาหบนทางแล้วมันจะถึงที่นี่ไม่ได้ถูกแต่ว่าคนเราไม่มันมองไม่มันครอบแต่บางทีมันทมาขังอยู่ในตัวแล้วตัวมากมันสำคัญนียครับถูกจะไม่เดินทางมาถึงนี่มันจะมันถึงได้ยังไงแล้วมันมาถึงมันจะพูดไปได้ยัไงมันก็ฝันไปต่งเด็ก ผมกลับละฟุตโทรทำไมนี่ผ่านนี่ผ่านไอ้ท่านจัดเดินไปไหนมาถึงมาเจอเขาที่ใดอะเที่ยวเวเวกมากี่ปีแล้วครับเดินมาที่แรกสองพ้าร้อมาอยู่นี่โอ้สองพั้อยผมอยู่ผู้เดียวสอง2 5 0ห้ารอยมาอยู่นี่2อ0 0้ผมจะมันตายอยู่2องพันแปดสองพันี่รอยแปดเก้า หลวงมั่นเก้าิหลวงปูมั่นเก้าิพเ็ดหลวงปู่มั่นเก้าิสองหลวงปู่มั่นเก้าทิพยสามถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่นน่ะลงไปอยู่กับหลวงปู่เทศเทศรังสีนิพพตผมก็เคยอยู่กันท่านที่จันทบูรจันทบูรครับคงคงไปอยู่ควาผมเออพศเก้าทิพเ็ดครับเออเข้าใจเก้าทิพย์พอเก้าทิสองท่านก่อเส้นลมพานเก้าทิพย์าก็ถวายประเพลิงเก้าทิพสองเส้นลมพานใน ในเดือนพฤศจิกายก็ขาไปอยู่กับท่านในจันลีพศ91กันจันเทตัวสองงบประจัป้นหลเทกรรมภาษาของกุ้งครับท่านจันลีนะกรรมกาเคเสียงอ่าาจันลีเขอเสียแล้วท่านจันชอบปะเสียท่านจันชอบไปผมไปเจอท่านที่วัดเจดีหลวงแล้วเลยตามไปอยู่กับท่านบนภูเขากเลียงผมไปสองผลเก้าปีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บุญหลาย ท่านอาจารย์ชอบอครับจะคุณอริยภูนาธานอะคบท่านาาี่คุณอริยานไปติดสัญญาเตมมากติดนิมิตเติมมากเสียตอนนี้เพราะเพราะหนักในปริยัติผมรู้จักดีครับมูชักดีหนักในปริยัติผมวนไปใหม่มาอยู่วัดสีมาธา่า่ก็คุยมาเห็นเทวดาเห็นผมบอก เอขอาจารย์กูเพิ่งไ ห, ไหวบอกที่เป็นสัญญาเท่านั้นนะโอ้อาจารย์กูอะไรแล้วก็สัญญาข้าบอเป็ น, มนสมมติเปนเรื่องเลยท่านไปทางโค้งเสียไปท่านไปทางโคูง<ส> <c oughs> นีม่มตรแปลว่าเครื่องหมาย <c oughs> นีม่มตอยู่ใตอำานาจอันจังเก <c oughs> ิดขึ้ น, ลลนแล้วก็แปลผลแล้วแต่สลาย <c oughs> นีม่มตรแปลว่าเครื่องหมายหมายไปที่ไหนก็ต้องเป็นนิตรที่นั้นหมายที่นี่ก็เป็นมิตรที่นี่จะลองเล่นกัันนาเป็นเสร็จเลยเอมันมารวมีนั่นแล้วมารวมทีนั่นแล้วแล้วเบิดลงที่นั่น เราเ็ลงที่นั่นมารวมกันนั่นเลยคันห้าขันทโรเขามารวมในคันห้านี่เองแมวนี่สบายมากเนี่ยพูดถึงกันถน้าคนฟังเพ่งไม่ได้เลยพูดถึงกันน่นคนธรรมะเถึงกันไม่ได้คัดข้อกันได้บัดเนี้ยเห็นบหมคนธรรมะเถึงกันไม่ได้คัดข้อกันลยองเพลงกันเลย เขาโทษเราโดยเฉพาะอ๋อเป่ากระหมอมให้ถึงจิตใจให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นบุคาลาธิฐานที่เสลี่ยดับเป่ากระหม่อมก็คือเป่าคิดเป่าใจเตือนจิตเตือนใจให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าเราไม่ถ้าเราถือว่าเป่ากระหม่อมเป็นของขังอย่างนี้มันก็เป็นเสียศาสตร์เป่ากระหม่อมก็คือเป่าหัวแทนหัวใจเพราะหัวใจเรามองไม่เห็นมันแล้วก็เป่ากระหม่อมแทนมัน แปลว่าเตือนใจเตือนใจปลุกใจให้ถึงวัคคุปธรรมประสงค์ให้แน่นลงไปอีกแน่นลงไปตะพุตตะคือแน่นเกินไปไม่มีเรื่องใส่ว่าพุท ธ, ธรรมปสงค์เกินไปไม่มีมีแต่มันไม่พอผู้เขาค้อยบอติง่งผู้เขาหิมะไร้ค้อยบอติง่งใจถึงวัคคุปธรรมประสงค์กับข้อยบติ่งคือการอะเออ มีหลายปัณณ์เขมารวมอยู่กับรู้อยู่ร่วมกับมาทานเดียวนะไฟสั้งขานสังขานที่มีหลายกับมาทานปัณณ์ก็บสร้างามารวมอยู่กับมาานเดียวอันเพิมเกิดขึ้นแล้วแปลปวดน่แตกสาลัยนะขันเมื่อหน่อันนี้กับพุ่นท่านเี่นี่เองโลหานโวหอนคพิมนื้อเพมคิดที่มีหลายปัณณ์กับตามกมารวมอยู่ที่เกิดขึ้นแล้วแปลปวดนี่แตกสาลัยนะ มารวบอยู่อันนี้จากทุกครั้งอานาารรวมของพ้นหันของพ้นของคว่หลงก็มารวมไหวหันรูแจ้งก็ต้องรูหันอยู่ในปัจจุบันนะปัจจุบันเอามาไหวหมดแล้วสังขาทั้งผวงในไตรกูกระทาเมไรเอามาร่วมในปัจจุบันหมดแล้วสีนสมทิิปัญญาเม่ะไรเอามาร่วมในปัจจุบันเลยจะไปคั่หาบันเอือมันก็บถือแล้วก็เอามาไหหั น, นเป็นบ้าวา อส่งเลยต่โตเอามาร่วมาหาเาไ่าเรียหา้านอื่นเืี่ยกับผีบาตี่พมเกมมาร่วมหากับมงตัคือเงนเอามาไว้ในกระเป๋าเลเงี้ตัวแมงตัวเอามาไว้มไปหายานอื่นเหมันทเห็น่าเครือหัวอยู่ป้าผู้ได้สูยตัวเอามาเขียนองหัวไปไปหาย้นอื่นหมดนี่ก็โตเอาททัางคาสอนทั้งหลายแปดมืที่ทาคัาร่วมเลยในปัจจุบันที่เพ่งอยู่เี่ยย่างกขั้วบามานอื่นกมันก็ถึงแก คนกัคนหันพวคนกับกคนหันก็เอายุหัน้ะไสนามงานเนี่ยนีออกากสน้ำงานเนี่ยพวกเธอเยคือเพื่อนเพื่อารวมในนี้จะเพื่อนตายเพือนไส้เขาียิมึงไม่ไส้จิ้มซึ่งยังะตายอาศัยเพื่อนเพื่อนยุนอ่ะรถเสียหลักไปเต้นมงรูรถทับตายซักรถพลังไปเต้นมึงูเจ้า วีับหล่อหนลเนี่ยของมันมัมหลาห้องของบอกร้ายก็อกขาเก้าพน้วก็ไม่หลแล้วสีก็มี่ชอกเสียงหลังฟักไมัน่ว่ารหมไงใจที่แค่ทํามนร้ายมันก็ร้ายแค่ทมน่อยมันก็น่อยเนี่ยรายก็รายออกมาจากใจน่อยกัหน่อยตงมาหาใจฮัสงสัยก็สงสัยในใจกับว่าสงสัยก็มันใจอ่านผู้ว่าสงสัยท่านดีนเป็นฝามาสงสัย พันดินพันสามมาลูกให้ว่าก็มันใ จ, จตัผู้เสืูเท่าเจ้าของในพีสายมาเล่าสู่ลูกเท่าตัวผู้สร้างขึ้สร้างขึ้นเลยให้ไผมาแก้ปัญหาให้ในตาหูจมูกเลี้ยงกายมาแก้ให้มันแก้ให้ปะไรล่ะตัวเป็นผู้สร้างขึ้นแนปัญหาแล้วมันตอนพอดีตอนนี้ก็แก้ถ้าละวะตัวเป็นผู้สร้างขึ้นใหไผมาแก้ให้นั่นนี่ปัญหามันขึ้นต่อไผ่ใจเป็นผู้สร้างขึ้น ตาขอมืจมเส็นมันสางขื่นโมเป็นคนตายไว้ยังสางขื่นโมเป็นโมเป็นในใจใจไม่ยุหันไม่ตาันกงบมมติจะสางยังนีไม่หูมันสมม่ิจะส่งยังขับไปหายใจไม่พรับแมันมันมีเส้นด้วยก่นสตีมันสากสมมตอจูกเส้มหาลุงปูตินม่เห็นสมมตมัอจูกสังมหาลุงปูเล็น้อยเส้นไทยประเทศยคนีเดียวมันก็ยังดึงกันไม่นาบบลุงปูแกก็อ๋อลูมาาน ขาเห็นจะสูงเมือนเขาเขาใจแล้วมันของไม้ของเก่าเหมนตัวกระตาของไม้เก่าเนี่ย้าก อ, องหงมอันเก่ากิตใจอันตัวอันเก่าตัว เ, เนื้คิดอยู่เห็นเหตุองว่าการน้งนขขรนนองพนะูดติดประเข็มทีพวกเรคนพวกเรคนเพราะว่าเหตุยังไงที่ข่าวเวทนาในโน่นขาวว่าอะแล้วก็ถือว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาถือว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตกระามว่อะไรคือกัน ถือว่าโลกเป็นตนตนเป็นโลกกับขามอะไรขึ้นกันถือว่าตนเป็นสั้งขานสั้งขานเป็นตนกับขามทั้งขานอะไรขึ้นกันถือว่าตนเป็นทุกทุกเป็นตนมันก็บขามทุกอะไรขึ้นกันถือว่าตนเป็นอนนี้จังอันนี้จังเป็นตนมันก็บขามอันนี้จังอะไรขึ้นกันถือว่าอนัตตาเป็นตนตนเป็นอนัตตากับขามอนัตตาอะไรขึ้นกันถือว่าศูนย์เป็นตนตนเป็นทุกย์ขามศูนย์อะไรขึ้นกันเอานี่สั้นปัญญาล้วนได้บ้างเลยมันสามารถทิ้งวัต่อได้บ้างเลย จนปัญญาหิวสมาธิขึ้นไปขี้ข้อแเราปัญญาผ้าไปเพื่อให้หิวเอาลูกอลัอาลานคาบข้อแล้วผ้าใยนะเดี๋ยวว่าปัญญาหิวอเสียงกับสมาธิขึ้นไปน้าแล้วเอาไปใส่ด้วยกระเป๋าของปัญญาแล้วอันตร์อเอาไปเป็นเร่งขึ้นของปัญญาแล้วอันตร์หลาสมองแล้วอันตระยึดได้แล้วอันตระ ย็บเานกับสมาธิแล้วเป็นเมื่องขินของปัญญาอลาบาดเนียทีแรกห่วงมีหลวงปู่ที่แรกคือที่ทาบ่ายอย่างมากามื่นหนึ่งแม่เป็นเ็ดที่ยังฝันมานั่นตอนของเขินมาขาดหลวงปู่ว่บาสมาธิตัวยังอนอยู่ตอนสินอนตัวเพื่อปล่อยสมาธิเรียวไหลตสิหลับของปัญญาเจดิณปื้เนาสมาธิจังเป็นบทกุ่ได้ว่าเดินในพรฒนาโหลดไหมผมไม่เขินมากทำไมใช่เราไม่ใช่ของเราโหลดไหย เป็นักวรรุษเป็นทศเข้าเห็นผอมเขาลงหายใจคอหลอดเลือดจะหาไม่มีเรื่องมากเป็นักวารู้เป็นทศเขกาเห็นท่านสิต่อไปตายยางี <c oughs> <c oughs> ง่ยเยัยงไงเป็นทศกรรู้เป็นทศเเห็นสิต่อไปตาย่าวว่นกระด้าจะองกันตัวเดต้องมรไหล่เด อ, องมบบอตออฟัมั น, บบนมเก รเราเเพาร้อมใ่ว้วมีขอเขตได้ไภาษาอะไรอะมัตยังดีอะทำานงน่อยคนแร้คืิภากันสนใจมู้โต น, นี่สองคนเท่านี้ก็ติดไปสามอ3สามเปังไงสมเังโตทํามันเนี่ยไม่เห็มั้อือสามคนถ้ามันนี่มันบาปมโน้องบ้าฮาวาเก็บจะบาปเลย อันบาปังบ่ป่เฮ้ยเฮ้าสงสัยังมีผู้มาถามมาขอข้าดิ้คนทํามันมันบาปบ่ว่ะสันใจเฮ้าละว่าบาปเลยละในไปก่อนนั่นยังไม่จัเลยทำไปกนอนแล้วอืมไทางด้ยนี่มันมีบาปไรบ่ได้เออ่ได้บ่้ได้พระทหาร้ามันได้พระทหารพระน่าข้ามีกับถ้ามันเนี่ยเพราะพ้นบวมมราคาด้พระพุทธศาสนาทํามัน้วยวิธีนั้น ถึงพระหน้าข้าเมียอย่างพระธรมันนะพระสรธรรมก็ทัอยู่แลมันพราะยินดีแต่หัวโตเมียโตเนี่ยไ่ได้ยินดีหัวเพิ่นเมียเพิ่นดีว่าดีเของโตเลยมู้โตกันปฏิวัติฉันสันนี้แหละกันปฏิวัติฉันสันนี้หละโตก็เมียโตที่จะ้ายกันได้ไหม ผู้ใดแสดงทีนี้อันก็ดีขึ้นมากตอนกระท่วกันเนี่ยถัวเขาไม่ห่างนั่นมั็นตัวเอียงว่าเป็นตัวขเหร่อะไรกันนี่เว้ยไมอดเขาเ่อถึงพระอร่าช้าไม่เห็นเลย่บเขตก่อกพระสวัสดิวันนี่เบาเนี่ยพระสวัสดิวันมิขอบเขตเน ราคระไม่ขอเขตโทษะไม่ขอบเขตหลวงปู่ฟ้าราคะนี่ยังเป็นโยมได้ยองของได้เป็นโยมได้เยามาหาเกินได้เยอะได้หาวัาเก่นของริบเลยคับเลยอเห็นแก่ปากแก่ท่อท่อเอาของเกินมาเป็นของตูดูกระดูเอาตจเหตุของเจ้าของระวังเสียเอาของเพื่นมาเป็นของตูโดยว่าดะซื้อจะขอจะไม่ทำร่มค่อมได้มัน อันนี้มันเรียบไปถ้าพระสดาวันนะ่นละโสดาวันมาปล่อยเวนเช่อแทงคนร้เขียต่อนี่ยก็บมาปล่อยเวนเชื่แทงเ้ยเพื่อจะิกกันมัธยสาก่มันดีมันไปไปซะมันเลี่ยงไปซสมมติจะคบกันก็เลไปซะพผูกเวรผูกไข่ผู้มรสดาบัแต่ว่าทานว่าถือกันะแยคบกันเนหาว่าหายห้ไม่เวรนไพ่บุกบ่มขอดมันไม้ขวัเองผูมพระสดาวัน ยังว่ามึงนะกลัวได้เอามึงย่นึงเรกเสยเอามึงย่ำมนึงขั่าโบแมนเรียกเสียออกตัวไรเนาะันจ่ากระบบแมนเัวโซดาันพราโสดกิฟไพ่ยงนี่พระโสดกิบหพยมันไปพ่อกพระโสดกิฟไพ่เลยนฮพระโซดาบันเห็นชัดเข่าก้าพระองค์เห็น่าเรียกว่าผาในประท้านกิฟไพ่โบแมนามอุทธรณลงพระองค์เลยลงพระติเจ่าเลยโอนเอกพระเก่า เด็ดาบรัเบื่เบือท่งเก็บหายมืจงก็มันเป็นรท่งเก็บหายคัดประเภทเสียรายจากเหรียคือไฟมือจางก็มันห้อนคัดแล้วไทเสียรายเสยากกัด่สันเสิไปลงมับไปนงบมมีเว้นแต่มันโมเห็นมันไปมุกขี่เทาไว้น้เดินมนทางมันเขาโมเห็นมันคืออยู่อันตั้งเห็นเนี่ยอย่างไรไพจะเป็นพืบาปเหยียบกางหม้อไพ่จะเป็นพืบาปจับจับทายแดงๆหรือจับบนเตียงมั อันนี้คือกขันเห็นว่ามันเป็นทางคิดหานไร้วอดขัครับไปหรอขนเห็นคักไปนะมันเป็นความเห็นของพระสวดาวันเด้เลยเป็นความเห็นว่ามันสีได้สีดีเาะมันว่ามันความเห็นของพระสวดาวันไดนความเห็นเป็นไม่ชัดทีติอยู่อ่ะนั่นอ้หันอันน้สงสัยวาศาสนาอื่นน่ะมันจะสอดีก็ศาสนาพุทธูมันกต่ว่พระสวดาวันได้อีอย่างนี้นั่นการคองคิดพระพุทธศาสนาก็บว่าได้สอนนะขันเกดเข้าใจไปแล้วันก็เรียกว่า่มันพระสวดาวันได้พนสอนเมื่ การรักษาตัวก็สอนมัดอ่ะการรักษาคอบมัวก็สอนมัดอะในสอนอยังไรอีกบอกันว่ามัดอ่ะไม่แต่ของใหม่ๆดีๆดดดดก็นัดอ่ะคำว่าอาหารกบบ ร, ระหมูเปลี่นใครเอาม้ย้ำไหนก็ยังอุนอุนูคำว่า น, นเทียบใชอาหาราาว่าเราไปแนอาหารบูดเปี่นคือห้องกินด้วยเส ม, มอเนี่อาหารของคิดของใจสู้เนี่บูดเปลนอาหารของธรรมะสู้เนี่ ทัท้ทั้งหลายมี่ยูบวได้เอื้นหายากไม่ไม่มไประจำจิดประจำใจประจำสติปัญญาของเราเนี่ยเขาเล่าเหตุทำม่ถ้าเห็นว่ให้มีกับม่มีะไต่ขืนยุกับเทานี้เห็นกับมันใจผู้เห็นปฏิวัติกับมันใจผู้ปฏิวัติลูกกับมันใจปผู้ลูก็ไม่พูดเ่ยวท่านมาเห็นงานนี่ยไปสมญาติเห็งานนีนี่มู่ดเดียวท่าน มตเตกิเลตมรอว่าหายเทตมันหายนะไปทั้งบริเวกิเลตคุณภาพวันหน้าแน่นอนโอ้ยนอนจักหน่อยก็จะปันเอพจะพระลุกมาเพรว่ามันมาซิบมนกัะสิบมันอย่างนี้จากมันมันยากรูเท่ามันทีนี้ทีมันรูแจ้งแหมันบาเห็นมันขึ้นมาเลยมันตัดสินลงมาโลกเต็มไปด้วยความทุกข์แล้มันเวลาสงสัยว่าโลกทีเป็นสจขเถื่อได้ยังมันเาเห็นต้องขบุดขึ้น มัได้สงสัยว่าโรกมันเป็นของหวานของเทียงไรอย่างเนี้นแล้วรถขับรถขึ้นมัสงสัยว่าข้าม่าชาเนี่ยมันถือว่าเป็นทุกได้เดียร์เนี่ยมันก็ได้ขบรขึ้นวันมันเห็นขักกมันได้สงสัยว่าอบายมุกนี่มันถีเปนทางแก่เลิเดนมันก็ได้ว่าขบรขึ้นกับหมู่นวดคนละกี่ก็นนําพันยู่แีเสียเงนบาทึงมึได้บุ๋เ้ยหยีพ่อยแม่กูก็เสียงมนยุ่งตัวสาวหน้ายงเรื่องกูยาย่งสัน เขาป่าตั้งตัมากอาเส้นอาธรรมมาเกิดคันว่ามีเิ้นมีธรรมมาเกิดว่าได้ในสางความดีมาแน่ถ้าปางก่อนยังไงมาเกิดเป็นมนุษย์คันเป็นมนุษย์แล้วบ่เป็นเสี้ยจิตพิษสวงน่ะวันบ่าใบเสียจิตพิษมนุษย์นะก็เรียกว่าลาบมนุษย์สาธิตลาโพสสามารถทำความดียิ่งๆขึ้นไปก็ถึงที่สุดตรงโดวสอบได้อยู่วายยังไง ควาเป็นทรัพย์ที่ฉชานีกับว่าสามาสสมรถที่ทำสมาธิสมาบัานได้แล้วความเป็นทรัพย์นรกกับว่าสามารถที่ทาได้พอได้รับจะได้ทุกตัวควาเป็นเพศก็ได้รับจะทุกตัวชนมนุษย์นี่ยไม่เวลาเมื่อหายใจเขาออกไม่เวลาการทํำความดีก็ต้องไม่เวละขึ้นมาไม่แม่ละที่ทำได้ขึ้นมาเพาไปตึกกูตึกป่าเปนของกูจะใ ส, ส่สูสะดุ้งกูจะใสสูหาเป็นเล่าๆใ่ตัวลร มาเทาทิ่พวานาเราเห็นได้หานึกเ่ยวก่อวานาพุทโธย่านไหนกันได้ยู่วว่ได้ยืมพุทธไรยืมพูทโธจะามาจะมืดได้นะบรวารี่เฮ้ยไปก่อนจะขีรแกล้งบหรอเอนกบุงกบเาไกลไปไม่รู้จไปไุทโธพุทโท เป็นว่าเั็นว่าไม่ันเป็นบ้ามันมนหมนเป็นยี่ว้ออะไรเนี่ยเขาเป็ี่ยนเนาะพ่อหน้าญาญมันเป็นว่าผู้ว่าพ่อหน้ามันแหงตื้มบ้าผู้ว่าท่ามวงเหบียบมันแหงตื้มบ้าผู้พ่อหน้าใช่มันพิบายตัวเป็นพี่บาายไปิดตู้คนพาวหน้าเป็นพี่บาสร้างว่าปูหลอดพระหันก็หายบ้าหมดละ <co ff> s> <S ไปเป็นชุกเปชไปุไปเออไปได้ให้พ่อแม่เสียกันเลยสุดขั้วสโอแม่เสียเออาด้รับหน้าๆพ้าพรว่าไม่น้าพรโวเข้าผู้ใดเสียว่าถือกันพ่อตายแม่ตายเฮ้าถือวัดแล้วเฮ้าเผากี้ขีกระดูกพ่อแม่แล้วเฮ้าจึงใวมาบวะ เขาผีกี้กระดูกหอดพิซ่ายหอดพิสาวพิสาวเนี่ยเขาผีกี้กระดูกผู้หนึ่งสมอนันบลแบบบลอะไรเขาดุมากเลวเจาทังตายที่หลังไปกลายไปทอดเนี่ยผู้หนึ่งไปท้อท้อหลังลงไปคนอีกกับผู้นึ่งลูกเก็ดคนแปดคนนังเต้าหู้เดียวลูกแปดคนเต้าหเป็นลูกสุดทองคนดูกสุดทองท่านนี่สี่ปีจะห้อมกันแล้วลูกแปดคนนะ ผู้เกิดก่อนที่เว่ามันอายุร่อยปีคนนู้เขาไม่นั่งอยู่อ๋อใชที่ปีทีงความกันได้ลูกแปดคนแต่วันค่อยค่อยตายรึงลำข้ามอกหมอยค่ อ, คอยตายแท่อีหลี ปวตะโพงโกงหลังคานทัางหายตะวันค่อยค่อยตายเรี้ยงาำคำหมักหมวยค่อยตายแฉ่อี๋ปวดตะโพะโกไปถ่ายร่างเีอยู่รก็ซักปัญญาวิเศษ ความผสมสิ่งที่ผสมผสมอะหรือมันเป็นเหตุให้เบื้อนายเบื้อนายความหลงัองเจ้าของที่เคยลงมาในโลกอันนี้อโทษท่านโอมท่านโคขอโทษท่าอมทระนโคความผสมผสมม huh. ันเป็นเหตุให้ห้องเบื้อนายความหลงห้องที่เคยลงมาห้องกับเบอรนายความลงห้าไปยล้วไปเบื้อนายโลกมันสิตมจักขีดดังเดียกงเยามันบริสุทธิ์ในห้องมาเกิดไหมดีน้าใรโลกมันบริสุเิให้งมากาเกิดสังขารทั้งหลายบิให้มากทั้งหลายบริสุเิให้มา พ่อแว่ที่พ่อแมาเกิดสี่ปล่อยเว้นเส้นแทงมันมันบริวากิเลสเท่าไม่เท่ามาเกิดก็รมเฮี้ยนวิสาทสู่ลถพักกัดกับข้อมล้าจะคลองตัวกันค้อมลงเต็มพะนครหลวงใจเลยก็เอพระคุณพระธรรมเขามาสู่มันเห็นตัวาพระคุณพระธรรมประสงนอบ้อมที่ใจล้วควอมล้มอย่างนีแตกระเจิงตัวมันจะอยู่น้ำปันใดอย่างไรเนี่ยเอาไว้ในใะ เขาแค้นข้อไว้ทั้งนอกหุนขแค้ใจไว้แค้นอย่จงทีแตกกันเพราะเป็นกล้วยเอาเป้าอะไรครับเขาเป้าอะไรเป้าโอสัเป้าให้เป็นพระรามเปียงสาวอ่งนีเปอะไรเฮลิคอ้เส่นเตี๋รถอนเฮลิค เจอไปดีปัญกะสร้างทำไมกันีบริกรรมเขาทำก่อนเจิมยายจะพล้องกันเนี่ยเรื่องเยงง้นกลิ่ยาเรียกถิมล้มหายใจถอดระเบ้อรื่องเพียงไรอาจารย์ด like, mm. ื Then, s <S ่มยังไงดื่มเใจขอล้มหาไใ่ถอด อผู้หลานที่รไปวันันมันเพ่งนั่นผู้ตายแล้วมันเสียเกเรต่ออารมมันเพ่งในอดีตเสียใจในอดีตอหะมันก็เลยผิดมันก็เลยโ ง, ง่จริงอยู่ไซว่าเป็นตะยูขันว่าเพี่เป็นขื้นสี่ยอดบ้านไรบ้านขันว่เห็นมันเป็นไอ้ขัเรื่องมันตัวตัวตัวโยชันของมันนี่ยประสบมาอ่ะไฟฟ้ า, ากินหัวใจไฟฟ้ า, าไหม่หัวใจ ข้งหั้กมวนกับบวมวันนั่มืุกเตนเอาเปอหืมือเานวันนี้เอางานอย่ารอคพิจารณาธรรมะเขาพิจารณาตามปนจริงของสังขารน่ะพวกได้ก็ยอมวมญยกพัดผ่าไปไผ่ภูบมวยกาพัดผาไผ่ตายหนึ่งไผ่องไผหามาบังด่วมจะหากันตัวในโรไผตายว่เป็นหนึ่งไผ่สองไผ่สองไผหามัรุ แกอกกสิมว่าจะขึ้นทอดผู้ตายไปปรท้าตายไปจะขึ้ททนทอดได้ยัก็วว่ามันนี้ได้หรืเป่าขึอดกเป็นบาด้ไหลมล่ะผ้ผู้กเป็นาบ้ากินเาเพรามให้กันเสียไปหลายแล้วเป็นหลานเ็นลยัไปยังเนาะมันจะขึ้นเนาะมันว่าอย่าีมากมันก็ขึ้นละมันขึ้นมากหานี่มันก็ขึ้นมาหาธรรมะลบ่ พระพุเจาอกที่ว่ามาเผยมาเจอพระพุทธเจ้ออมม า, า, า, าเขาดำดิบดินบนได้ยังตายเปนะก็พระพุทธเจ้าเบื่อตายตึงเน้ยเขาสูพนันธพานทหารทั้งหลายก็เบื่อตายย่านตายอยู่เนี่ยมูเหาเนี่ว่ามันยานนนานน่านของนว่าม่นขันรนามตายคนเมื่อปุตตินี้จากตายเมื่นี้จัตายเขาสูพนนันธพานว่ามาตายอีกเพื่นย่านตายดีนะมูเ ห, หาความหลงพระอาหาน เพมาะเงินปันงาพรอาหารต่อพนิพพา น, นมันพระบั น, นอาถรร์ต่อความหลงของมันกิเลสมันมันอบล่มจิตใจเขาได้หรอพระบันอาถรรทั้งทั้งนันใจภูฟันทั่มวะอบล่มเลยแล้วพระพุทธเจ้าอบล่มเลยแล้วก็ว่านนใจแล้วพระพุทธเจ้าอย่งในหลวงไก่เนี่เพราะพระพุทธเจ้ามีกาลังของพยามาร น, นี่เถิดพระสวดารันแล้วพระพุทธ กับามาไม่อกำลังของพญามาสพญามาสเขามาโดนใจว่าอไร้่ะพญามาสอันหยาบจะงดนได้แล้แต่พญามาสอันละเอียดกอไปโดนใจพระอนุนบันดาลเพราะให้เพาะให้พระอนุนเข้าใจคำว่าพระองค์เก่านอนุนเลยโบเดนิมนพระองค์เก่าไห้พระองค์เกาเขาเลยนิมนก็เ ล, นนนนเลยนิพานด้วยตัวเขกากระสิ ม, ม, ม, มานิมนมันว่าท่านมั่นมานเขามานิมนก่อนเลแล้วตัว ม, ม, ม, มันเสื่อยู่สนาม เ้อทถ้ำนิมิตไหตือตัวของจักสถานที่พบตำบุญนะสัง้าทั้งหลายเป็นของวเตถยังเลยไอั่งเล่าเนี่เปลี่ยนเหมือนเกียนนสองแทมโดยไม่พัยฮะไฟอุบายตัโตจะยู่เมืองราจะคือก็มี่เสียบตำบุญแม่องไอาย่ก็มี่ตบตำบุญตัวของเห็นวายังไรเนี่ยกับไปพ้นพ่ทักตัวกันแล้วไอ้สั่ว่าตัวนี้ม่อนท้าว่ายุจักน้อยอสั่ขงที่เรื่องาวขาจะเสืออายุไั่ มันนิมตนี่ยครั้งที่สองเข้าภาษิเสวยยุ่งะท่านครั้งที่สามเนี่ยเข้าภรัวะท่านเปิดปากเข้าภาษีบุรณะไปด้วยอิธิบาทพวาน า, ายังไปอีกวนเติบยุ่ง่านของม่นนิมตเนี่ยคนพิทัตัววะท่านวท่านาานิมมามานิมนต์เข้ารับม่านแล้วแผ่นดินไหวเลยตจังค่อยมาว่าแผ่นดินไหว อ, อนอนี่ยังเข้าขวาแผ่นดินไหว อ, อนรับนิมนต์ของม่านแล้ววะท่นสิขาสู้ก็่พานเป็นคนพิทักตัวาแล้ว กับว่เป็นเด็กก็ผิดก็เพราเพิ่นเป็นเรียงพระสวดิวันนี้มันถึงพระอาหารเ์นี้และมันก็เป็นธรรมเนียมของพูฏิเก่าพัน ญ, ญาติกะแต่ที่นี่ชีวิตเร่งเพียงเจ็ี่สอทีพหริร้รอยเป็นเจนน่ามันคือวิทยาธิกะมัคือรัฐาธิกะมัเป็นปันญาติกะนะมีขอออกไปเพิน่นเราไปที่ อาชมันสยอีกกาส่ยงอะไรอยู่หรอแต่ถ้าคิด่ได้เส่ยหลนชั่วหลยปีหรือหลายก้าวหะไอยู่เมี่นใสอยูสิาเป็นอง้อมาสองรอยสีน้นองสุดที่ชนิดเนยเงี้มัแรมานจสันลา่ะไปใส่ๆม่ี้มันต้องซื้อขายเขาต้องขายเาขาวใครเียไปนทางก่อลสองรอยสามสิหปีเลูู่กัผ่าดิัาน มันไปเยุมกัได้อันไปคุยภาษาสารดูท่อนไม่มไปสืนสายนวัดจะอธิษฐานลองบเสรเื่องมันแรงมาเ็ยไปใส่ใจผมก็อเรบ่ิใจใจเนื้อนุชาปีกสร้างทไมคว่าคนจากกลียดก็เสียแรงของสันดุยคันว่าพนจากขันพนจากเกียดแล้ววันนตายมืแล้วก็ยาหัวมันไปงั้นหรอสันใครตัว ก็ตักสัรวจเจ้าจของแน่นะบอกอีกไรอะไรอะไรฮึคืออาสารองค์งหนึ่งละ่ะลงไปผูเก็บพังงานน้ำกันเธอเป็นคนใจดี้ากเลท่านล่าท่านยินดีไหมเขาไปส่งผมภูเก็บรถตั้งเกีคันแคันออกจากโคกคออย่างมาพังงานไปส่งผม ขาแห่ผมไปรถเจ็ดคันแดคั น, ม น, นาามสมัยนะั้นรถวัวลายเนี่ยามัยงวัวลายกอนเจสมัยนั้นสมัยสมัที่หน่อย9่สิบสองกสิบสาม่สิสามก่สิบสี่รถต่างจังหวัดกำลังวัวลายขัน้นอธิการไหมขั้นรากพูดพูดท้าความองให้เข้าแง่ะเข้าหัาคือเราจะพูดอย่างนี้ ทานามันจะขัดคอร เ, เรามายังไงเพื่อนเอาหาอุบายใป้าาปัน้าเนี่ยเป็นท่านกันท่านกันเพื่อนก็ได้บที่วปวดเพ ร, ร้วาเพื่นเาล่องเราอยู่เาติต่อไปยังไหนวะท่านอาการย์มหาเป็นเพื่นกระลือนเ้องสองสามาษาอย่างเดียที่ภาษากรลือนห้อผมอาชญากรเขาแห่ท่านอาจา ร, าจราาม์หาไป เขาจะเอาคนไปตัดคอเขาก็แหง น, นะจัดมาเขาจำหรามไ ม, ม่ผมผมผมอาตจันทร์หรอคนเขาจะเอาคนไปตัดคอเขาก็แหงเหมือ น, นกันเราเลยตอบมือกันเ อ, อถ้าเป็นเนรเราจะตกหน้ามันเร็วาักคำว่าเห็นเราหรอวะดีใจเท่าตอบถือก็ดีใจเขาจะเอาคนไปตัดคอเขาต้องแหง ผมไม่อาธากันถ้าเรามีเพลยอยู่ไม่ได้วันก็แห็นเราวันขันประชันเรเพลรเราเราหัวเือองค์นึงคือกะไรนะครับคุวอาจารย์พ่อแม่คุกวาอาจารย์อราอาารยบอกความฝันให้เขาเขามาผูกเอาเรศเอาขาวมันเสียทำหนักมันเสีย ที่พ้นมูเข้าบวหรือกันไหมพอหน่อ ย, ยมาหน่ามันดีตัวเข้าก็จะหายเขาได้ได้แล้ลวถกแ้ามย่อนเขาเพราะน่ครูบาอาจารย์เข้าใจว่าเรื่กเรียบพระพามันมาเป็นท่าสิบหายบอกไม้นั่นคือเ่องขเขาคนผู้สื่อก็ไม่นของเขาใช่ว่าเอาโทษเียังกระเะ่า มาเข้าของแกเพราะกระจอกผูเอานังสัมพันี่ยเ้าเขาวาวแลวก็าแล้วดีที่เขามาหาลายเพื่นเราหาอุบายฟังงงกว่เม้าสีเขาจีบไปยังไงแต่เพื่นก็เขี้ยะเขามาหาพระแม่คู่ว่าอาจารลายมาหาด้วยพระแม่คู่วาอาจารพระพุทธินพระพุทธธรรมดีพระพุทธศาสนาเข้าเด่นแล้ว นเขาซาหรือว่าพอมีผู้ว่าอ า, าการบอกเล็บอก้าบอกคมฝันยังไงมันกน ร, ระเสียวพพุทธศาสนาอะไรันเนาะเาค้นเล็กค้นผาค้นวัดคนบือมาเป็นมูเป็นสูงล้านหนึงบทตรไร่ภมมันบริเล็กเดินผามาเป็นมูมูหนึ่งได้คูหนึ่งเลยวเขาเค้นโจรค้นม่านมเป็นมอเต็มแม่ฝาแ่เด่นบัตอไร่นะปาดเขาเลายคนเขาใจัสี่วอะ ่มันขอนอยสอนดอกเดียวนี่ขอน้อยหมูจักว่าพ่อแม่ผู้กว่าอาจารย์คิดถามขอน้อยร่องปัญญาเฉยๆเดี๋ยนี้ขอน้อยจะกลดตอบได้หรระก่อนัญญาที่ไปทั้งไหนเขาสิดถามมันทังีขอน้อยตีพวกไมยวางกัดได้หรอเมือตีคำก็หมายถึงอื่นได้พระพุทธศาสนาว่ามันสนามการพนันนะเป็นสนามที่ให้เลิกการพนันพระพุทธศาสนา เสียเวลาท่านผูกข้ามาเสียเวลาท่านเทาเท้าสิเท่เลเจ้าวถึงท้าวของพ่อทีถึงมาเลยเขาเสียประโยชน์ข้าวเได้ประโยชน์หอนเท้าในที่นั่้าวพอทได้ก็เลยเสียประโยชน์ทั้งสองทางชวนข้าวว่าไม่เีจตนาเขาผูกเอามันเหลือวิสัยอันเท้าไม่เจตนาอยู่นี่คนอ่อยว่าผิ ด, ดเลยกาแสดงแลิกปนนักกระท่งเ้าไม่เจตนามัน ต, ต้องผิดจึง พิสิิ์พ <Pop ify scenes> ิธรรมบนท้าวพระพเจ้าตัวว่าถ้าเขาไม่เจหน้าเขางงใหญ่เขาตั้งศิลตั้งถ้าได้ห่างเขาว่าผูกออนถืกว่าถือกับเป็นเรื่องของเขาอนั้นถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่เสียอยู่วั่นเขากว่าวผูกอ่องแต่แผู้นั้นผู้นี้ผู้นันผู้นี้เขาอยากได้นาขโมงเขากบอกว่าเป็นไทยจะได้ว่าแต่ว่าเห้อยยื้อใส่หรว่ามันเสียไปยังสั่นได้ก่อนหน่อยว่า นิกใช้ขอน้อยนคนสิ่ไปวังเอาเรศก็ะพานเนี่ยเม่นเอาเงินไปติดทราเพ็นดินขอน้อยกับวันี้นิยมในวันท่านเนี่เอาประทยไว่านเนี่้ามันเป็นยังไงบ้ามันศู้งึผึ่บึ่อ่ะทีรดนหาที่วะเฉนเม่ยถ้าพวกหงจักรวะต้นปูทักของคิว่าจะเพจิงพระง่ามย่ามบ้านของจะดูเป็นชาวบ้านอาเป็นจะดูมีเอาไม่ตัดตลาดเปนจะใหได้ยุ่ได้ย่ เขาพอเข้ารบได้พอละเขาอาไว้ทางรมมันเขาอยู่เทิงเลยพขายวัตถุโรกขึ้กันเ่เขาเอาไว้อยู่ทางรมลพราะกรเมี่เขาต้านกวาดการเทิงเขาพอเข้ารบคือเข้าเลยเออไปเอาไหนเนาะไปนเนาะเไม่ไถามเนาะ มือตัวทามกับามเลกขนาดนมันจะทามอย่างสงบสิ้งสงบ